งานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะสำหรับปีนีนะ้พอถึงตอนสายนะก็เป็นอันเช่นสุดงานบูชาคุณซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่16นะช่วง 16-20 ถึงเราก็มีงานบูชาคุณหลวงพ่อที่สวนโมกกรุงเทพแล้วก็มาต่อนะบูชาคุณโดยการ ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้แล้วก็จะสิ้นสุดนะตอนสายๆแต่ว่าให้ระลึกว่าแม้งานบูชาคุณนะจะสิ้นสุดแต่ว่าการบูชาคุณหลวงพ่อสำหรับเราซึ่งเป็นสิทธยานุสิตนะก็ควรจะดำเนินต่อไปถ้าว่าเราตระหนักว่า เราเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคำเขียนถ้าว่าบุญคุณของหลวงพ่อนะยังประทับแน่นอยู่ในจิตใจของเรายังคงอยู่กับกายวาจาที่แสดงออกด้วยการกระทาหรือพฤติกรรมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรา ที่ช่วยทำให้จิตใจของเรานะมีความรู้สึกตัวนะมีความสงบเย็นมีสติระลึกได้อาว่าเรายัางระลึกหรือตะหนักว่าบุญคุณของหลวงพ่ อ, อยังอยู่กับเรามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนท่านนะไปช่วยชีวิตเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ มาบูชาหรือตอบแทนคุณของท่านนะเพียงแค่วันสองวันในหนึ่งปีการบูชาคุณหลวงพ่อเนี่ยที่ควรทำสม่ำเสมอนะตลอดทั้งปีเลยชั่วชีวิตเนี่ยนะมนไม่ได้ดีกับหลวงพ่อหรอกนะเพราะหลวงพ่อท่านก็ละโลกนี้ไปแล้วหรือถือแม้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่การที่เรา บูชาคุณหลวงพ่อโดยการปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับหลวงพ่อท่านก็ยังเป็นหลวงพ่อคนเดิมแต่มันดีกับเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตินะถ้าเราไม่เพียงแต่บูชาด้วยอามิรแต่บูชาด้วยการปฏิบัติก็เท่ากับว่าได้บำเพ็ญธรรมบูชา แล้วเมื่อบาเพ็ญน้ำบูชาเนี่ยธรรมะนั่นก็ย่อมปกป้องรักษาเรานำพาชีวของเราให้จเจริญงอกงามและผาสุขอันนี้สองอย่างหนึ่งนะหรือประโยชน์อย่างหนึ่งของการบูชาคุณหลวงพ่อก็คือว่าเราจะสำนึกในบุญคุณของหลวงพ่ออยู่เสมอรวมไปถึงการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และที่สำคัญคือมันเป็นการเตือนใจว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูการเป็นสิษย์มีครูนี่มันไม่ใช่ของง่ายนะคนบางคนนี่ไม่มีครูเพราะหาครูไม่เจอนะไม่สามารถจะพบครูที่จะน้อมนบเคารพหรือศรัทธาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแวดล้อมไปด้วยบุคคลที่เป็นปาปามิตร มันไม่ใช่ง่ายนะคนเราเนี่ยที่จะเป็นสิทธิ์มีครูอย่างแท้จริงเมื่อแต่ก็ตามที่ระลึกหรือสำนึกว่าตนเป็นสิทธิ์มีครูเนี่ยมันก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราเพราะนั้นหมายความว่าเรามีบุคคลที่เป็นแบบอย่างแห่งการดาเนินชีวิต บุคคลที่เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตเนี่ยนะมีความหมายนะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกทำนองคลองธรรมรวมทั้งรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะเมื่อเจอทุกข์เมื่อมีเหตุมากระทบอย่างเช่นอ่เวลาถูกคน ติชินนินทาต่อว่าดาทอต่อหน้าเมื่อเราระ ล, ลึกนึกได้ว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านทําอย่างไรนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้นึกได้ว่านะหลวงพ่อท่านสงบนิ่งท่านยิ้มคนที่มาต่อว่าท่านบางทีมาหาว่าท่านสอนไม่ถูก ทั้งๆ ท, ที่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางธรรมเท่าไหร่ลุงพ่อท่านก็ยิ้มนะท่านไม่ได้ถือทอดโกรดเคืองนะพอเราเรารึกได้เช่นนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรกับคนที่เขากําลังติฉินนินทาต่อว่าเราเพราะอะไรเพราะเรามีแบบอย่างนะแบบอย่างนะที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือ เวลาเราเห็นธรรมชาติเสื่อมโซมต้นไม้นะกำลังเหี่ยวเฉาเรานึกได้ว่านะหลวงพ่อท่านดูแลใจใสห่วงใยต้นไม้นะท่านทนุธนอมนะท่านพยายามช่วยชีวิตต้นไม้แต่ละต้นด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความยึดบ่าเป็นเจ้าของ เราเห็นนี้เราก็อยากจะเลอยตามท่านการมีครูเนี่ยนะมันทําให้เรารู้ว่าเราจะดําเนินชีวิต อ, อย่างไรเพราะเรามีแบบอย่างนะที่จะดําเนินรอยตามเดีนะ๋ยวเรามีความทุกข์เจอประสาทงานล้มเหลวอาจจะรู้สึก ท, ท้อแท้ผิดหวังหรือบางคนเสียศูนย์แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยก็นึกได้ว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้มีความรู้สึกวันไหวเลยนะกับงานที่ล้มเหลว อ, อย่างที่ท่านเคยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อนะงานล้มเหลวนะแต่ว่าตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลว อ, อันทำงานไม่เยอะล้มเหลวก็มากแต่ว่า ท, ท, ท, ท, ท, ท่านก็ยังทํางานต่อไปรักษาป่าแต่ป่าถูกทําลายท่านก็แอบท้อท่านก็ยังทําต่อไปเพราะว่าใจท่านไม่ได้ล้มเหลวไปกับงานด้วยเพราะท่านมองว่างนะงานนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดว่างานเป็นเราเป็นของเรางานล้มเหลวตัวก็ล้มเหลวด้วยหรือใจก็ล้มเหลวด้วย แต่ท่านแยกนะงานก็งานไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำเต็มที่นะแต่ว่าไม่ท้อถอยเมื่องานเสียหายหรือมีอุปสรรคเพราะงานไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปาดละเลยพอนึกได้อย่างนี้หรือระลึกได้นะว่าหลวงพ่อท่านมีท่าทีต่องานอย่างไรแล้วเราก็รู้จักวางใจ ตามที่หลวงพ่อท่านได้เคยเป็นแบบอย่างเอาไว้เพราะเรามีสิษย์มีครูนะเราจึงมีแบบอย่างที่ดีงามรวมทั้งมีคําชีแ้แนะเตือนใจเราอยู่เสมอเวลาหลงเวลาทุกเวลากลุ่มเวลาโกรธหลวงพ่อท่านสอนว่ายัางไง เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นให้รู้สื่ อ, อให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอ่าพอเราเริ่มได้ถึงคำสอนของท่า น, นเราก็แก้ไขปรับใจของเราเสียใหม่อันที่สงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเราเองไม่ใช่กับหลวงพ่อ การมิมีครูยังหมายถึงว่าเราจะได้รับกำลังใจจากครูบาอาจารย์เพราะคนเราเนี่ยบางครั้งก็ท้อถอยบางทั้งก็หย่อนความเพียรแต่ว่าเมื่อเราลึกได้ถึงครูบาอาจารย์และลึกได้ถึงหลวงพ่อซึ่งเราเคารพรักศรัทธาก็เกิดกำลังใจขึ้นมา เราจะถามตัวเองว่าเออถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หลวงพ่อจะทำอย่างไรพอได้คำตอบปุ๊บนะเราก็ทำตามนั้นนะอันนี้แล้วว่าได้ทั้งแบบอย่างแล้วก็กำลังใจคนเราเนี่ยแม้จะมีความตั้งใจดีแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เท้ะ หรือว่าเฉื่อยชาแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้รับการกระตุนตคุณงามความดีของครูบาอาจารย์มันก็เป็นตัวส่งเสริมพลังบวกในใจเราคนทุกคนก็มีพลังบวกทั้งนั้นนะแต่บางครั้งพลังนั้นก็อ่อนแอเพราะว่าถูกยั่วยุ ให้โกรธหรือยา้ายวนนะให้หลงหรือว่าเกิดท้อขึ้นมาแต่พอพลังไฟบวกถูกกระตุ้นเพรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่อที่ท่านเป็นแบบอย่างให้เราดูอยู่ให้เราเห็นมันก็เกิดนะพลังไฟบวกที่ ช่วยทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ท้อถอยทำความเพียรต่อไปพลังไฟโบกในใจเราเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องอาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์มาช่วยเติมแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ถึงเวลาเราทอ้อแท้ท้อถอยอเราก็สามารถะระงับความทอ้อแท้นั้นด้วยด้วย พลังไฟบวกในตัวเราเองม่าจะเป็นวิริยะฉันทะสติสมาธิปัญญาแล้วูบาจารย์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอย่างนึงคือคอยตักเตือนเวลาเราเผลอเวลาเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสนึกถึงครูบาาจารย์ขึ้นมามันก็ละอายใจอยากจะ ทำตัวให้ดีสมกับเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นนการเป็นศิษย์มีครูเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายมากถ้าเรารู้จักหาครูมาเป็นผู้ชี้นำไม่ใช่แต่เฉพาะหลวงพ่อนะแต่ว่ายาวสืบสาวขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบ ร, รมครูนะ อันนี้ก็ยิ่งประเสริฐแต่ว่าพระเจ้านั้นเนี่ยนะสำหรับหลายคนก็รู้สึกห่างไกลเหลือเกินเพราะพระองค์เนี่ยอยู่ในสมัยพุทธกาลบางครั้งเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เราเห็นสัมผัสจับต้องได้เพื่อทำให้เกิดกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสำนึกอยู่เสมอนะว่า เราเนี่ยเป็นสิทธิ์มีครูแล้วรู้สึกว่าเป็นโชคของเรานะที่มีหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็น้อมนำนะสานึกในคุณงามความดีของท่านให้ยังลึกลงไปในจิตใจของเราไม่ทําให้เราเนี่ยนะมีกำลังในการทาความดีแล้วก็หลีกหนีความชั่ว ทำให้เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฝึกจิตฝึกใจให้เจริญ ง, งอกงามไม่ใช่แค่มีศีลมีความดีแต่มีความเข้าใจในสัจธรรมด้วยอันนี้แหละนะจึงเป็นถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐนะหรือจะเรียกว่าเป็นโชคก็ได้หากว่าเรานะเป็นศิษย์มีครูและครูผู้หนึ่งนะที่เราน้อมมาร ล, ลึก นึกถึงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจหรือแบบอย่างเนี่ยก็คือหลวงพอ่อและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรานะรู้จักบูชาคุณข อ, ของท่านเนี่ยอยู่สม่าเสมอแล้วสิริมงคล น, นะก็จะบังเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มีแสงสว่างนำทาง น, นทางเรานะจกนกระทั่งไปสู่หรือถึงจุดหมายนั่นะคือความพ้นทุกข์คือชีวิตที่ประเสริฐประเสริฐ ด, ด้วยธรรม และมันคงนะได้ด้วย ร, รมทั้งคุณธรรมและความเข้าใจในสัจธรรมเราขออนุมโมทนาทุกคนนะที่ได้มาร่วมงานบูชาคุณของหลวงพ่อแล้วก็ขอให้สืบทอดนะการบูชาคุณให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเพื่อความเจริญงอกงามของพระสัทธรรมในใจของเราและเพื่อความผาสุขความสงบเย็นนะกับชีวิตของเรา